บทที่7จนรุกสวรรค์อยู่ที่ไหนถ้ามนุษย์เรามีกายที่สองจริงและถ้ากายที่สองไม่ได้ตายตามไปกับกายที่หนึ่งจริงๆและยิ่งกว่านั้นถ้าบุคลิกภาพหรืออัตยาสายใจคอของแต่ละคนยังสืบต่อไปได้กับกายที่สองซึ่งเป็นกายใหม่รูปเก่าได้จริงๆแล้วก็น่าคิดว่าเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่แหละ เราก็มาถึงปัญหาเก่าแก่ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการคําตอบอยู่เหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ก็นับเป็นปีที่12ของประสบการณ์ของกายเนื้อของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าได้พบกระจักพยานอย่างแน่นอนซึ่งแสดงว่าสวรรค์และพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนั้นแต่หรือว่าบางทีข้าพเจ้าอาจจะได้พบแล้วแต่ตนเองไม่รู้จัก หรือไม่เข้าใจเสเองก็อาจเป็นได้กระมังคิดไปคิดมาเรื่องเช่นนี้ก็มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันคือมันเป็นเครื่องแสดงว่าข้าพเจ้ายังมีคุณธรรมไม่สูงพอนั่นเองแต่กล่าวอีกในยะหนึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมันนั้นอาจเป็นของจริงหรือเป็นพื้นฐานของความจริงแต่ถ้าว่าข้อความในคัมภีร์นั้นอาจถูกบิดเบือนไปจากการจดจาหรือคัดลอกกันมาผิ ด, ผด เป็นเวลาหลายต่อหลายศตะวรรษแล้วก็ได้ลองคิดกันถึงเรื่องการสวดอ้อนวอนซึ่งเราถือกันว่าเป็นหนทางเดียวที่ทำให้มนุษย์สามารถติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่เท่าที่เราได้รับการสั่งสอนที่สวดอ้อนวอนกันอยู่ทุกวันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเหมือนการที่เราท่องสูตรเคมีไปเหมือนนกแก้วนกุนทองโดยไม่ได้รู้เลยว่ามันมีความหมายอย่างไรหรือว่ามีเคย ร, รู้เลยว่า ธาตที่ประกอบกันเป็นสูตรนั้นๆมีลักษณะและสภาวะเป็นอย่างไรหรืออีกอย่างหนึ่งก็ ค, คล้ายๆกับการที่เด็กๆของเราร้องเพลง London Bridge is Falling Down ที่หมายถึงสะพานลอนดอนจะพังแล้วซึ่งแกก็ร้องส่งเด็กไปตามเนื้อและทํานองเช่นนั้นเองเดี๋ยวที่แกก็หารู้ไม่ว่าเพลงนั้นมีเนื้อความว่าอะไรเนี่ยแหละอริยธรรมของเรามีเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเช่นนี้มาผัพันอยู่เต็มไปหมด แลเรื่องการสวดอ้อนวอนพระเจ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องเหล่านี้แต่บางครั้งและในบางแห่งก็ดูจะมีผู้เข้าใจเรื่องโดยท่องแท้อยู่เหมือนกันเขาพยายามสั่งสอนคนอื่นให้เข้าใจถึงวิธีการและเจตนารมณ์ที่แท้จริงแน่ละ่ะในการสอนนี้ก็มีบางคนที่เข้าใจถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังบ้างแต่บางคนก็เป็นแบบเดิมคือไปติดอยู่ใต้คาพูด ต่อมาคําพูดนั้นๆก็เปลี่ยนไปตามการเวลาอีกครั้นแล้วหลักการและเจตนารม์ที่แท้จริงก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือแต่คําพูดจนกระทั่งช้าๆ น, น, นานๆก็มีผู้คนพบหลักการและเจตนารมเดิมเขาอีกซึ่งอาจจะเป็นการโดยบังเอิญก็ได้ข้อสําคัญก็คือในการค้นพบหลักการและเจตนารม์ที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็เป็นการยากที่ผู้คนพบ จะสามารถทำให้ประชาชนเห็นว่าวิธีการอย่างเก่าซึ่งถือกันมาเป็นเวลานานแสนานานแล้วนั้นยังไม่ถูกต้องนักนี่คือความเห็นของข้าพเจ้าเท่าที่พอจะกล่าวสู่กันฟังได้คือว่าวิธีการเก่าของเรานั้นยังไม่เพียงพอหรืออีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะข้าพเจ้ายัางมีคุณสมบัติไม่พอเสียเองก็ได้หรืออีกประการหนึ่งอีกทีคืออาจเป็นเพราะว่าวิาวธีการสวดอ้อนวอน ที่ค้าพเจ้าใช้อยู่ยังเป็นการไม่เพียงพอเองหรือว่ายังไม่สมควร น, นักก็ได้กล่าวโดยสรุปก็คือเท่าที่ได้ลองใช้มาแล้วนั้นปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้ผลเสเลยตัวอย่างที่หนึ่งขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ในการออกไปจากร่างกายเนื้อครั้งหนึ่ง พระเจ้ากําลังเดินทางกลับมาอย่างปกติซึ่งก็คิดว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นหน้าแต่ครั้นแล้วจู่ๆข้าพเจ้าก็เกิดรู้สึกตัวว่าได้ประทะเข้ากับสิ่งกีดขวางซึ่งดูคล้ายกับจะเป็นกําแพงขวางหน้าอยู่โดยไม่นึกฝันเจ้าสิ่งนี้ปรากฏว่าเป็นกําแพงทึบแข็งจริงๆมันกั้นขวางหน้าอยู่พอดีทําให้ข้าพเจ้าหมดทางไปขึ้นมาโดยฉับพลันความจริงในตอนนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บตัวมากมายนักเป็นแต่ว่ารู้สึกจะตกใจซึ่งมากกว่าลองเอามือคลำดูก็รู้สึกว่าเป็นวัตถุทึบแข็งคล้ายๆกับจะทําด้วยแผ่นเหล็กกล้าเชื่อมติดกันไว้ฉะนั้นแต่ละแผ่นมีลักษณะคโคง้คงๆคล้ายกับจะเป็นส่วนหนึ่งของลูกโลกอะไรอย่างหนึ่งฉะนนั้นลองผลักดูแต่ก็ไม่ไหวลองขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างไปทางซ้ายย้ายมาทางขวาก็ไม่เป็นผล ทำอย่างไรดีเพราะข้าพเจ้ารู้แน่ว่าร่างกายเนื้อของข้าพเจ้าอยู่ทางด้านหลังของเจ้าแผ่นเหล็กประหลาดนี้แน่นอนข้าพเจ้าพยายามดึงดันผลักแกะและอะไรอะไรทุกอย่างเท่าที่จะทำได้อยู่กับมันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีผลคืบหน้าจึงต้องลองใช้วิธีสวดอ้อนวอนดูพยายามใช้การสวดอ้อนวอนหมดทุกแบบเท่าที่ได้เคยเรียนรู้มา พร้อมทั้งยังได้คิดขึ้น่าองอีกด้วยเท่าที่จะนึกคิดได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าในระหว่างนั้นได้ใช้ความพยายามทางใจอย่างมหาศาลคือไม่ได้สวดอ้อนวอนเล่นๆเหมือนดังที่เคยทํามาบ่อยๆเลยเพราะข้าพเจ้าตกใจมากจริงๆมีวิธีการหรือกําลังใจแค่ไหนก็นําออกมาใช้หมดแต่ก็ไม่เป็นผลข้าพเจ้าถูกตรึงอยู่กับที่เสียแล้วดูท่าว่าจะกลับไปเข้าร่างกายเนื้อไม่ได้ พระเจ้าแผ่นเหล็กวิถฐานนี่เองมาถึงตอนนี้ชักเริ่มเสียขวัญแล้วข้าพเจ้าตะกุยตะกายใหญ่ปากก็ร้องโวยวายพร้อมกับสะอื้นไปด้วยแต่ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีผลอีกจนกระทั่งหมดแรงไปเองเมื่อหมดท่าข้าพเจ้าก็เลยหมดฤทธิ์ต้องล้มตัวลงนอนกลิ้งอยู่ตรงหน้ากำแพงอันหนาและเย็นชืดนั่นเองไม่ทราบเหมือนกันว่าเดนนอนกลิ้งอยู่นาที่นั้น เป็นเวลา น, านานสักเท่าไร่จึงได้ค่อยได้สติขึ้นมาคิดหาทางแก้ไขสถานการณ์ต่อไปข้าพเจ้าจะทนอยู่ในสภาวะเช่นนี้ได้อย่างไรมันเป็นสถานการณ์แปลกประหลาดที่ข้าพเจ้ายัางหาทางออกไม่ได้ข้าพเจ้าลองหัวนึกดูว่าตนเองได้เคยตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้มาก่อนอหรือไหม่หนอลองนึกทบทวนย้อนหลังไปหลายปีนึกถึงวันหนึ่งข้าพเจ้ากับเพื่อนคนหนึ่ง ได้ซื้อเครื่องบินมาลาหนึ่งเป็นเครื่องที่เรายังไม่รู้จักคุ้นเคยกับทางบินของมันนักเหตุผลที่ซื้อก็คือว่ามันราคาถูกดีและก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีด้วยหลังจากซื้อมาแล้วเราได้ลองบินเล่นอยู่ในบริเวณใกล้ๆกล้หลายครั้งและครั้นแล้วก็เกิดความคิดว่าจะต้องลองนำมันบินผ่านโพลดูสักทีเราได้ขอยืมร่มชูชีพมาได้แล้วก็ติดเครื่องเร่งขึ้นไปถึงระดับหนึ่งฟิต จากการทดลองบินผ่านผลนทางง่ายๆก็รู้สึกว่ามันตอบสนองต่อการบังคับควบคุมได้ดีจึงคิดว่าจะลองทำดูอีกทีเราได้เงยหัวขึ้นไตาหาระดับสูงและกำลังจะลงดำดิ่งมาอีกแต่ครั้งนี้ปรากฏว่ามันโค้งสว่างลงมาดื้อเราได้พยายามแก้ไขมันทุกวิถีทางตามตำหรับตำราที่ได้เล่าเรียนและฝึกหัดมาซึ่งครั้งก่อนๆ ก, ก, ก็เคยใช้ได้ผลดี แต่ครั้งนี้ไม่ได้ผลเลยเครื่องบินพุ่งเข้าสู่พื้นดินท่าเดียวยิงแกก็ดูว่าจะยิ่งหนักขึ้นและแ บ, บัดนี้พื้นโลกข้างล่างก็ดูเหมือนจะลอยละลิ้วเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วและใกล้เข้ามาทุกขณะบิวหันมามองข้าพเจ้าหน้าของเขาขาวซีดเสิ่งเขาตะโกนออกมาว่าให้ออกเถอะอยู่ไม่ได้แล้วอันที่จริงข้าพเจ้าก็กาลังเตรียมตัวจะกระโจนออกอยู่แล้วเหมือนกัน ที่ยังรีรออยู่บ้างก็เพราะความเสียดายเงินที่ได้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบไว้เป็นเวลานานกว่าจะซื้อเครื่องบินลำนี้ได้ในตอนนั้นข้าพเจ้าหาเหตุผลอยู่ในใจว่าเราได้พยายามลองอะไรมาหลายอย่างแล้วตามที่กฎข้อบังคับเขาวางไว้มีที่ยังไม่ได้ลองอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เขาห้ามไว้นั่นเองในไหนเรื่องก็มาถึงขนาที่แก้ไขไม่ได้แล้วข้าพเจ้าควรลองทาสิ่งที่เขาห้ามไว้สักหน่อยจะเป็นอะไรไปนักเที่ยว ถึงอย่างไรอย่างไรมันก็คงไม่มีทางขาดทุนยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วไม่ใช่หรือมือเร็วทับความคิดข้าพเจ้ายกคันบังคับไปทางด้านหลังซึ่งเป็นทิศทางที่เข้าห้ามเด็ดขาดในขณะที่เครื่องบินกําลังโค้งสวรรค์แต่มันกลับได้ผลอย่างวิเศษเครื่องบินเงยหัวขึ้นได้และไต่ขึ้นหาระดับสูงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นข้าพเจ้าก็พยายามร่อนจนอยู่ในระยะที่ปลอดภัยในที่สุด เราก็พามันลงมาถึงพื้นโลกโดยสวัสดิภาพซึ่งปรากฏว่าเราทั้งสองคลานออกมาตัวสันด้วยความตกใจยังไม่หายดีทั้งคู่เราได้บินผ่าน ผ, านผลเป็นวงกลมแบบควงออกซึ่งเป็นท่าที่เสี่ยงอันตรายกว่าแบบควงเข้ามากเหลือเกินอันที่จริงเรายังไม่เคยเห็นใครทำเช่นนี้มาก่อนเลยเสียด้วยซ้านี่ถ้าให้ทาอีกครั้งก็เป็นไม่ยอมเด็ดขาด เมื่อนึกถึงเรื่องการดำดิ่งควงสวานแบบออกเช่นนี้แล้วก็ย้อนกลับมานึกถึงปัญหาเฉพาะหน้าดูเปรียบเทียบกันบ้างเช่นเดียวกับในเรื่องควงสวานข้าพเจ้าได้ลองหมดแล้วทุกทางเท่าที่คิดว่าจะเป็นผลดีเ่นดันไปข้างหน้าข้างบนข้างล่างข้างซ้ายและข้างขวาซึ่งทั้งหมดมันก็ไม่เป็นผลตกลงมันก็เหลืออีกวิธีเดียวแบบควงสวานนั่นเองคือวิธีที่ฝืนกฎแห่งเหตุผล และดูไม่ค่อยจะเข้าท่าเลยแต่ไหนเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าจะลองดูสักหน่อยมันก็คงไม่เสียอะไรมากไปกว่านี้ไม่ใช่หรือเอาละ่ะข้าพเจ้าตกลงลองวิธีที่เหลือซึ่งดูมันออกจะวิตธารสิ้นดีผลคือข้าพเจ้ากลับมาเข้าร่างกายเนื้อได้จริงๆในครู่ต่อมาก็ทางไหนละ่ะท่านผู้อ่านคงอยากทราบก็ทางที่เหลือคือถอยหลังกลับไปนั่นแหละ มันเหลืออยู่ทางเดียวแล้วมันก็ได้ผลจริงๆอย่างอัศจรรย์ข้าพเจ้าถอยหลังกลับไปยังทิศทางเดิมที่มาแล้วก็เดินทางต่อไปได้โดยสะดวกเหตุใ ด, ดจึงเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้หรือถ้าท่านจะถามว่าเจ้ากำแพงเหล็กนั้นคืออะไรมันมาขวางทางอยู่ได้อย่างไรข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้อีกตามเคยบางท่านอาจจะกล่าวว่า การสวดออนวอนของข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ผลเสียทีเดียวเพราะถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้กลับมาด้วยความสวัสดิภาพแล้วไม่ใช่หรืออาจจะใช่กระมังแต่ข้าพเจ้าก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทางศาสนาสอนไว้เลยนี่คือไม่เห็นมีเทพพยายดาที่ไหนออกระวีกระวาดมาช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้เห็นใจกันสักหน่อย ตัวอย่างที่สองอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมน้องชายของข้าพเจ้าและครอบครัวของเขาที่บ้านแล้วเลยถือโอกาสค้างคืนที่บ้านของเขาเลยคืนนั้นรู้สึกเพลียดังนั้นพอเข้าห้องนอนได้ก็เตรียมตัวนอนเลยทีเดียวโดยไม่ได้ทราบว่าหัวเตียงนอนของข้าพเจ้าอยู่ชิดกับฝาประจันห้องซึ่งทางอีกฝากหนึ่งเป็นห้องที่หลานสาวอายุสี่ขวบนอนอยู่ เตียงของแกก็ตั้งชิดฟ้าด้านหัวเตียงของข้าพเจ้าพอดีพอล้มตัวลงนอนก็เกิดความสันสะเทือนภายในอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็เลยเกิดความคิดว่าดีเหมือนกันไหนไหนมาแล้วก็ลองออกไปจากกายเนื้อเพื่อลองสำรวจดูอะไรๆในสถานที่ไกลาจากบ้านของตัวเองสักครั้งเพื่อจะได้เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาบ้างพอออกจากกายเนื้อ ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีร่างสามร่างในห้องนั้นข้าพเจ้าจึงระวังตัวคุมเชิงอยู่ใกล้ๆกายเนื้อก่อนยังไม่อยากออกไปห่างนักเดี๋ยวจะกลับเข้าที่เดิมไม่ได้อีกปรากฏว่าร่างทั้งสามนั้นย่างเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มดึงข้าพเจ้าทีเดียวมันไม่ใช่เป็นการดึงอย่างรุนแรงเท่าใดนักแต่ก็เป็นการดึงอย่างตั้งใจจริงๆคงจะต้องการดูกิริยาอาการของข้าพเจ้าด้วยว่า ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรสังเกตดูรู้ว่าทั้งสามคนพากันสนุกสนานดีที่ได้มาช่วยกันดึงข้าพเจ้าอยู่เช่นนั้นข้าพเจ้าพยายามสงบใจให้เป็นปกติแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีถึงสามแรงด้วยกันซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับเข้าร่างกายเนื้อได้ทันเวลาไหมเพื่อเกิดพลาดพลั้งเสียท่าเข้าจริงๆดังนั้น ข้าพเจ้าก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าโดยใช้กันทุกแบบทุกวิธีที่จะนึกขึ้นมาได้ข้าพเจ้าขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงทรงเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าแล้วก็สวดอ้อนวอนในนามของพระเยซูคริสต์ให้มาช่วยอีกต่อจากนั้นก็ขอให้ท่านนักบุญต่างๆที่ข้าพเจ้านึกชื่อได้มาช่วยกันอีกได้ผลเหมือนกันคือเจ้าสามคนนั่นหัวเราะยอกกันใหญ่ครั้นแล้วมันก็ชัขยเรองข้าพเจ้าหนักขึ้นอีก นี่ฟังนะเจ้าคนหนึ่งพูดพร้อมกับพัวเราะฟังก็สวดอ้อนวอนพระเจ้าสิมันพูดยางดูถูกและเย้ยหยันชักโกรธเมื่อได้ฟังมันพูดเยอะเยอยข้าพระเจ้าเลยออกแรงดึงใหญ่และกลับมาเข้ากายเนื้อจนได้พอเข้าได้ก็ลุกขึ้นนั่งด้วยความโล่งใจทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากห้องข้างๆลองนั่งฟังเฉยๆอยู่พักใหญ่ เราคิดว่าไม่ช้าแม่ของเด็กก็คงจะมาปลอบให้แกนิ่งเองแต่หลังจากสิบกวนาทีผ่านไปดูก็ไม่มีท่าทางว่าแกจะนิ่งได้เลยข้าพเจ้าจึงต้องลุกขึ้นเข้าไปดูเหตุการณ์แต่ก็เห็นน้องสะพ้ายของข้าพเจ้ากาลังอุ้มเด็กอยู่แล้วปรากฏว่าแม่หนูกำลังสะอึกสะอื้นอย่างรุนแรงข้าพเจ้าจึงถามว่าแกเป็นอะไรไป และมีอะไรที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยเหลือได้ไหมน้องสะพายของข้าพเจ้าตอบว่าอีกสักประเดี๋ยวแกก็คงจะนิ่งเองแกคงจะฝันร้ายกระมังเธอบอกว่าพยายามทําอะไรๆแกก็ยังไม่ยอมตื่นสักทีข้าพเจ้าถามว่าแกร้องมานานสักเท่าใหรแล้วเธอบอกว่าเพิ่งสักครู่หนึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้ามานี่แหละแล้วบอกว่าอันที่จริงแกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย เพราะตามปกติก็จะหลับสนิททุกคืนข้าพเจ้าจึงบอกว่ามีอะไรให้ร้องเรียกกันอีกได้แล้วก็กลับมาห้องต่อมาอีกสักพักหนึ่งแม่หนูก็ค่อยๆเงียบเสียงร้องไห้ลงแล้วก็หลับไปในเรื่องนี้จึงมีข้อที่น่าสงสัยว่าการที่แม่หลานสาวของข้าพเจ้าฝันร้ายยังไม่ยอมตื่นจนร้องไห้ยกใหญ่ทั้งๆ ท, ที่กาลังหลับนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไหม หรือว่ามันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของข้าพเจ้าอยู่ด้วยอันที่จริงยังมีตัวอย่างอื่นอื่นอีกมากเกี่ยวกับเรื่องการสวดอ้อนวอนซึ่งไม่คอยจะได้ผลคืออย่างน้อยก็ไม่ได้ผลตามแบบที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องสวร ร, รค์นรกนี้ก็ออยังมีรายงานที่น่าสนใจพอเป็นที่น่าเชื่ออยู่บ้างเหมือนกันคือทาให้เกิดความคิดว่าถ้าสวรรค์และนรกมีจริง ก็คงจะอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งในโลกที่สองนี่เองน่าสังเกตว่าในการเดินทางออกนอกกายเนื้อไปในที่ต่างๆนั้นรู้สึกว่าจะต้องผ่านโลกหรือภูมิอะไรเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วชั้นๆที่กล่าวเหล่านี้คล้ายๆกับว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิตกับโลกมนุษย์เรามากที่สุดและก็คงจะมีการเกี่ยวข้องกันบางอย่างด้วย มันดูคล้ายๆกับจะเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีสีเทาปนดำคอยดูดบุคคลหรืออะไรที่ผ่านไปอยู่อย่างกระหายฉะนั้นและถ้าเราไปทำให้เกิดความกระเทือนเข้าสักเล็กน้อย <S <S ก็จะทำให้สัตว์หรืออะไรที่อยู่ในบริเวณชั้นเหล่านี้รู้สึกตัวและจะคอยจ้องตลอดและรบกวนเราอยู่ตลอดเวลากล่าวอีกในย่าหนึ่งก็คือขณะที่เราผ่านอนาบริเวณชั้นนี้ไปเราจะมีลักษณะคล้าย กับเป็นเหยอะที่เขาใช้ตกปลา้อยตองแต่งเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ฉะนั้นถ้าท่านเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆและไม่สนใจหรือแสดงกิริยาหวาสดุลงต่อพวกปลาที่มาคอยจ้องตอดแล้วรบกวนหรือมองดูด้วยความสนใจท่านก็จะผ่านไปได้โดยไม่มีเหตุการณ์อะไรมากมายแต่ถ้าท่านรีบร้อนกระหืดกระหอบหรือไปแสดงอาการปฏิกิริยาโต้ตอบกับเจ้าพวกปลาเหล่านั้นเข้าล้วก็ ทีนี้มันจะพากันตื่นเต้นใหญ่แล้วก็จะแห่กันมาใหญ่พร้อมกับมาคอยจ้องกัดตอดผลักดันถึงต่างๆนาน า, นาไม่มีที่สิ้นสุดน่าสงสัยว่าอนาบริเวณดังกล่าวนี้จะเป็นปากทางเข้าสู่นรกใช่ไหมเท่าที่สันนิษฐานดูก็น่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นเพราะเจ้าตัวอะไรๆที่มาคอยตอดทั้งดึงกัดและอื่นๆนั้น มันก็มีลักษณะ ส, สมควรที่จะเป็นผีหรือปีาศาจร้ายได้อย่างดีทีเดียวดูลักษณะมันไม่ใช่มนุษย์แต่ต่ำกว่ามนุษย์เสียมากกว่าเจ้าพุ่งนี้เป็นใครและอะไรกันแน่ข้าพเจ้าเองก็ยังตอบให้แน่ชัดลงไปไม่ได้และยังไม่อยากรีรออยู่นานๆเพื่อสํารวจให้แน่ชัดลงไปเท่าที่ประสบมาก็เป็นเรื่องบังเอิญซสียมากกว่าและเท่าที่เอาตัวรอดมาได้ ก็นับว่าเป็นบุญเหลือหลายแล้วในโลกเหล่านี้มีความจริงอยู่ว่าความคิดเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริงๆและนอกจากนั้นยังเป็นตัวตนที่สำคัญที่สุดเสียด้วยและตัวท่านเองคือความดีและความเลวของท่าน<ม>ก็เป็นเรื่องที่ท่านได้สร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยตนเองคือจะต้องรับผลด้วยตนเองเหมือนกันดังนั้นถ้าท่านเป็นฆาตากรตัวยง ซึ่งเป็นผู้มีใจด้านหรือบอดต่อความดีทั้งปวงท่านก็จะต้องเข้าไปอยู่ในภูมิหรือชั้นที่จะมีแต่คนประเภทเดียวกันกับท่านเต็มไปหมดลองคิดดูเอาเองก็ได้ว่าในโลกหรือสังคมเช่นว่านี้จะมีความสงบสุขหรือเดือดร้อนเพียงใดเนืองมื่อเห็นได้ชัดว่าทุกคนจะคิดแต่การเบียดเบียนกันเองอย่างทารุนอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเลยในสังคมนี้ที่จะมีความปลอดภัยจากผู้อื่นเลย เราะจะมีแต่การประทุส้ายกันไปกันมาอยู่โดยไม่มีวันหยุดยั้งพักผ่อนลงได้ที่กล่าววันนี้คือหลักการใหญ่ซึ่งถ้าเข้าใจดีแล้วก็สามารถนำไปคิดแยกคะแนงออกเป็นหลักย่อยได้อีกนานาประการและในทางตรงกันข้ามคือเกี่ยวกับความคิดที่ดีๆเช่นการคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะตกอยู่ในหลักเช่นว่านี้เหมือนกันคือผู้ที่มีใจเป็นกุศล ชอบสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะได้ไปอยู่ในภูมิที่มีแต่คนที่ชอบสงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชะตาชีวิตในอนาคตของแต่ละท่านก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เจตนาและอัธยาสัยใจคอหรือความหยาบและปราณีตแห่งจิตของท่านเองซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะดําเนินการเป็นตัวจากคนอันสําคัญที่สุดอยู่ในจิตของท่านตลอดเวลาซึ่งท่านเองอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ ทีนี้อารมณ์เจตนาหรืออัตยาศัยอะไรที่มีอํานาจรุนแรงกว่าเพื่อนและทํางานในจิตไร้าสานึกของท่านมากกว่าเพื่อนอารมณ์เจตนาหรืออัตยาศัยนั้นนั่นแหละจะเป็นตัวการทําให้ท่านเข้าถึงภูมิหรือชั้นที่เหมาะสมแก่ท่านเองในภายหน้าข้าพเจ้ากล่าวเรื่องนี้อย่างแน่ใจก็เพราะได้มีประสบการณ์ทํานองนี้มาแล้วด้วยตนเองจริงๆทุกครั้งที่ออกเดินทางไปนอกกายเนื้อ มันเป็นไปตามกฎดังกล่าวนั้นทุกครั้งไม่ว่าข้าพเจ้าจะต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็ตามกล่าวแดดที่เกิดความคิดหรือความต้องการสอดแทรกเข้ามาก็ตามหรือเกิดมีความอยากในทางที่ผิดลุกลานเข้ามาในใจได้ก็ตามผลก็จะออกมาทำให้ต้องไหลไปในทางที่ผิดหรือเลวร้ายได้ทุกทีโดยที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองไว้ได้เลย พูดถึงภูมิหรือชั้นที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาแล้วนั้นก็น่าจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือบางแห่งก็น่าจะกล่าวว่าเป็นนรกได้จริงๆและบางแห่งก็สมควรจะกล่าวว่าเป็นสวรรค์ได้เหมือนกันแต่นอกจากนั้นก็ยังมีบางแห่งที่มีลักษณะและความเป็นไปคล้ายคึงกับโลกมนุษย์เรามากจนไม่น่าจะจัดว่าเป็นสวรรค์หรือนรกโดยเด็ดขาดได้ดังนั้น ถ้าหากว่าโลกที่สองมีส่วนที่พอจะเรียกว่าเป็นนรกได้พอสมควรแต่ก็ยังไม่สามารถจะจัดว่าเป็นสวรรค์ได้เช่นนี้ก็น่าสงสัยว่าสวรรค์ที่แท้จริงจะอยู่ที่ไหนกันแน่และพระผู้เป็นเจ้าเล่าเสด็จอยู่หน้าที่ใดหรือว่าที่ข้าพเจ้าได้ไปดูเห็นมายังไม่หมดทีเดียวอย่างไรก็ตามมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งคือ ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยมโลกที่สองนั้นหลายต่อหลายครั้งมีเหตุการณ์แปลกประหลาดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่หน้าที่ใดในโลกที่สองนั้นเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเสมอเรื่องเป็นดังนี้ในระหว่างที่กําลังดําเนินงานกันไปตามปกตินั้นจะปรากฏมีเสียงสัญญาณดังขึ้นฟังดูคล้ายๆกับเป็นเสียงแตรเปล่าฉะนั้น ทุกๆคนไม่มีใครแสดงอาการตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงตรานี้รู้สึกว่าทุกๆคนเคยชินกับเสียงนี้มาแล้วเป็นอย่างดีแต่เมื่อมีเสียงตรานี้ดังขึ้นทุกๆคนก็หยุดพูดเหมือนกันหมดหรือถ้ากำลังทำอะไรอยู่ก็หยุดทำสิ่งนั้นเหมือนกันและพร้อมกันหมดมันคล้ายคลกับว่าจะเป็นสัญญาณว่าจะมีท่านผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นองค์หนึ่งหรือหลายองค์ก็ได้กำลังจะเสด็จผ่านมาเช่นั้น ที่แปลกก็คือไม่เห็นมีใครแสดงอาการตื่นเต้นก้มลงกราบหรือคุกเข่าลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามทุกๆคนจะแสดงกิริยาอาการเหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดคือได้ผ่านมาเสฉวนชินชาและทุกคนก็มีหน้าที่จะต้องหยุดการกระทําอย่างอื่นทั้งหมดไว้ชั่วขณะโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อหันมาทํากิจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซก่อนวิธีรมก็คือ เมื่อปรากฏมีเสียงคล้ายแตรดังกังวานขึ้นทุกๆคนก็จะพากันนอนลงซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นการนอนงายดังนั้นลำตัวจะโค้งขึ้นและเปิดให้เห็นบริเวณท้องน้อยแต่ไม่เปิดไปถึงอวัยวะสืบพันธ์พร้อมกันนั้นก็จะหันหัวไปทางใดทางหนึ่งเหมือนๆมือนกันเพื่อว่าจะได้ไม่เห็นท่านในเวลาที่ท่านผ่านมาข้าพเจ้าคิดว่าที่ทาเช่นนั้น ก็เพื่อจะทอดตัวลงเป็นสะพานหรือเพื่อให้ท่านผู้นั้นเหยียบผ่านไปข้าพเจ้าเคยเกิดความคิดขึ้นมาว่าท่านผู้นั้นบางครั้งอาจจะเลือกเอาใครคนหนึ่งที่นอนราบอยู่นี้ให้ไปกับท่านก็ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็คงจะหมายความว่าต่อจากนั้นจะไม่มีใครได้เห็นหรือได้ยินข่าวของคนคนนั้นอีกเลยส่วนการที่เปิดทองน้อยออกให้เห็นหรือให้เหยียบนั้น ก็คงจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงศรัทธาอย่างสูงสุดนั่นเองเพราท้องน้อยเป็นส่วนของร่างกายที่อ่อนแอที่สุดคือไม่มีกระดูกเป็นเครื่องป้องกันเลยดังนั้นจึงอาจได้รับอันตรายโดยง่ายกว่าอาวัยวะอื่นๆในขณะที่ท่านผ่านไปนั้นไม่ปรากฏว่ามีใครเคลื่อนไหวและไม่มีแม้กระทั่งความคิดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งเงียบหมดเป็นการหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ชั่วคราว ในขณะที่ท่านเดินทางผ่านไปข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์นี้หลายครั้งและก็ได้นอนหลงเช่นเดียวกับคนอื่นๆเหมือนกันมีข้อสังเกตว่าในตอนนั้นไม่มีความคิดที่จะทําอย่างอื่นเลยรู้สึกว่ามันคิดไม่ได้จริงๆในขณะที่ท่านผ่านไปนั้นจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นพร้อมกันนั้นก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีพลังอะไรอย่างหนึ่งที่เราขาดคืนไม่ได้ มาฉายแสงอยู่เหนือศีรษะและค่อยๆจางออกไปในระยะไกลข้าพเจ้ายัางจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยนึกเสียวๆ ว, ว่านี่ถ้าเผื่อท่านจับได้ว่าเราเป็นคนแอบมาอยู่ในที่นี้กับเขาบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นหนอลองถามตัวเองว่าอยากให้ท่านมาพบเข้าไหมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันพอท่านผ่านไปแล้วทุกคนก็ลุกขึ้น และเมื่อมีงานอะไรค้างอยู่ก็ทํากันต่อไปไม่ปรากฏว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกหรือแม้แต่คิดถึงก็ดูจะไม่มีทุกคนถือว่าเรื่องนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ต้องยอมรับมันโดยไม่ปรีปากมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาชอบกวนคล้ายๆกับการหยุดรถเมื่อถึงไฟแดงหรือขอให้ขบวนรถไฟผ่านไปก่อนในเมื่อถึงทางรถไฟผ่านฉะนั้นดูไม่มีใครเห็นว่า เป็นเรื่องสําคัญอะไรนักหนาแม้ว่าเป็นเรื่องที่เขารู้ว่าเขาจะต้องกระทําก็ตามน่าสงสัยว่าท่านที่ผ่านมานั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่หรือว่าเป็นพระบุตรของท่านหรือว่าเป็นผู้แทนของท่านกันแน่หมายเหตุผู้อ่านต้องขอย้ำไปเสมอนะครับว่า การที่ไปเห็นโลกหลังความตายของแต่ละท่านนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพียงส่วนย่อยของภพภูมิต่างๆที่มีความแตกต่างกันอีกมากมายเปรียบเทียบแล้วก็คล้ายกับท้องถิ่นหนึ่งในโลกมนุษย์ที่จะมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติต่างๆนะครับแล้วเรื่องเล่าหรือหนังสือส่วนมากก็จะเป็นเพียงสวรรค์ชั้นตน้ตนๆหรือเป็นภพใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากยังมีความจริงอีกมากที่ท่านยังไปไม่ถึง ซึ่งคนจะเข้าถึงได้นั้นต้องปฏิบัติทางจิตต้องสะสมฐานศีลภาวนาในขั้นที่สูงกว่านี้มากเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของภพภูมิที่ยังมีอีกมากนี้แนะนําให้ฟังจากหนังสือชุดโลกทิพย์ซึ่งจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ว่าจํานวนมากการศึกษาเรื่องโลกหลังความตายนั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องประเด็นเหล่านี้ก็จะเกิดความสับสนทําไม่อาจเชื่อแบบผิดผิดหรือได้ความรู้ไม่ครบถ้วนหรือบางครั้งก็ทําให้เรื่องที่เล่านั้น ดูไม่น่าเชื่อถือเป็นเลยก็ได้นะครับจึงควรศึกษาให้เข้าใจจริงด้วยความรอบคอบและเข้าใจให้ครบทุกแง่ทุกมุมด้วยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบทวนหากมีเวลาควรหาโอกาสไปฟังเสียงอ่านเรื่องโลกทิพย์ซึ่งในภาคหนึ่งนั้นจะเป็นการเล่าเบื้องต้นในภาคที่สมจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นและมีคำอธิบายด้วยอาจารย์พรที่จะอธิบายเสริมในแง่ของพระพุทธศาสนาและในภาคที่สี่ ก็จะเป็นคำอธิบายที o sea, pues. ่ค ah ่อนข้างเป็นเชิงวิชาการและละเอียดมากยิ่งขึ้นควรฟังไปตามลำดับนะครับข้าพเจ้าได้เคยไปถึงสถานที่อันวิเศษสุดแห่งหนึ่งเป็นเวลาสามครั้งความวิเศษสุดของสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆที่จะพนาออกมาให้ท่านเห็น หรือเข้าใจได้ด้วยคําพูดข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสภาวะเช่นนี้เองน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ที่ศาสนาทั้งหลายกล่าวถึงหรือมันอาจจะเป็นนิพพานเป็นสมาธิหรือเป็นประสบการณ์อันสูงสุดที่นักวิชาลึกลับทั้งหลายได้บันทึกหรือเล่าต่อกันมานับเป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ได้มันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าแต่และคนต่างก็บรรยายไปตามความรู้สึกของตนต่างๆกัน ซึ่งอันที่จริงก็เป็นสภาวะอย่างเดียวกันนั่นเองหมายเหตุผู้อ่านคําว่านิพพานในที่นี้เป็นนิพพานตามความเชื่อของต่างชาติเขานะครับซึ่งจะต่างกับความเข้าใจในทางพุทธสําหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสภาวะแห่งความสงบอย่างแท้จริงแต่ก็ประกอบไปด้วยอารมณ์อันดื้อดำ สุดที่จะพันนาคล้ายกับว่ากำลังลอยฟ้องไปท่ามกลางปุยเมฆบางๆอันอบอุ่นฉะนั้นในสภาวะเช่นนั้นไม่มีข้างล่างหรือข้างบนไม่มีอะไรอื่นํำรงอยู่แยกออกไปจากตัวเราเลยความอบอุ่นดังกล่าวนั้นไม่ใช่อยู่รอบๆตัวหรือว่าข้างนอกตัวเราแต่มันอยู่ที่ตัวเราและแผ่ซ่านไปทั่วตัวเราเองในสภาวะแวดล้อมที่บริสุทธิวิเศษเช่นนี้ เราจะรู้สึกเอิบอ้าบสาบซ้านด้วยความสุขตลอดเวลาปุยเมฆคิวเราลอยฟ้องผ่านไปนั้นก็มีแสงและสีสดสวยต่างๆใช้ฉายกวาดไปกวาดมาทำให้เกิดเป็นประกายวูบวาบเล่นสีหลอกล้อกันอยู่ตลอดเวลาและเมื่อลำแสงหรือสีเหล่านั้นแต่ละอย่างกวาดตัวเราไปก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นลำแสงที่กล่าวนี้มีอยู่ทุกสี ตลอดจนถึงสีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในโลกนี้ทุกๆสีของสเปกตรัมจะปรากฏผ่านวูบว่าไปมาตลอดเวลาอย่างช้าๆนิ่มนวลไม่ใช่ปรากฏขึ้นและดับไปอย่างรีบด่วนและแต่ละสีละแสงจะก่อให้เกิดความรู้สึกเยือกเย็นและเบาสบายได้เช่นเดียวกันกล่าวโดยส่วนรวมก็คล้ายๆกับว่าเราไปเป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพอันเย็นตาตอนที่ดวงอาทิตย์กลังจะตกดิน เมื่อแสงสีต่างๆก็ค่อยเหลือบและจางเข้าหากันเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสีแสงอันสุกใสและเย็นตาเหล่านั้นด้วยตลอดเวลาเราจะได้ดื่มความหวานชื่นของสีแหงสเปกตรัมเหล่านั้นได้อย่างเต็มอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราจะรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งว่าอันที่จริงมันเป็นของของเราอย่างแน่แท้และสภาวะดังกล่าวนี้ก็คือสภาวะดั้งเดิมของเรานั่นเองนี่ละ คือบ้านเดิมสถานที่อยู่หรือสภาวะอันแท้จริงของเราทุกคนในขณะที่ท่านลอยฟ้องไปตามสบายท่ามกลางปุ๋ยเมฆบางๆนั้นจะมีเสียงดนตรีดังแผ่วๆอยู่โดยรอบมันไม่ใช่เสียงดนตรีที่ดังขึ้นเป็นครั้งคราวแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเสียงที่บรรเลงอยู่เช่นนั้นเป็นประจำแล้วมันจะทำให้เราเกิดความเคลิ้ฝันไปตามเสียงนั้นด้วยความสุขข้าพเจ้ากล่าวว่า เป็นเสียงดนตรีก็จริงแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงดนตรีชนิดที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันในโลกนี้เลยมันมีความประสมประสานกันระหว่างเสียงที่กลมกลืนสนิทแนบแน่นมันมีอิทธิพลอันลึกซึ้งสามารถเราอารมณ์ที่แฝงตัวอยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตให้ออกมารับและดื่มเอาความหวานนั้นได้อย่างเต็มอิ่มไม่มีจริงๆไม่มีดนตรีของโลกเราจะสามารถก่อให้เกิดอารมณ์อันสูงส่ง ละเลือกซึงถึงปานนั้นได้เลยจิตใจของเราจะถูกหล่อหลอมและอกอุ้มด้วยดนตรีสวรรค์ชนิดนี้แผ่รังสีซาบซ่านอยู่ทุกขณะที่สําคัญก็คือข้าพเจ้ามองไม่เห็นต้นกําเนิดของเสียงดนตรีนั้นเลยรู้สึกว่าจะเป็นเสียงดนตรีที่เกิดจากสภาวะเช่นนั้นเป็นของที่มีอยู่ประจําสภาวะเช่นนั้นรอบๆตัวเราและในที่สุดก็เป็นตัวเรานั่นเอง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความจริงอันยิ่งใหญ่ซึ่งเราได้เข้าถึงในสภาวะดังกล่าวมาแล้วนั้นแต่มันก็เป็นการเพียงพอที่ทำให้เราได้คิดว่าความจริงอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดนั้นจะมีความไพศาลลึกซึ้งมโหรานสักเพียงไรท่านอาจจะเคยเห็นทัศนียภาพยามค่ำตอนที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าที่หมู่เกาะฮาวายอันสวยงามมีเมฆบางๆสอดสีอันรุ่งโรจน์เป็นชั้นและเป็นหลืบเล็กหรือน้อยแสนจะวิจิตพิสดาร ท่านอาจจะได้เคยยืนอยู่ตาลำพังผู้เดียวในป่าเปลี่ยวมองเห็นต้นไม้นานาชนิดกวัดกวายโอนเอ็นไปมาตามกระแสลมในยามเงียบสงัดท่านอาจจะได้เคยฟังเสียงดนตรีแผ่วๆที่เตือนให้ระลึกถึงความหลังอันสดชื่นประทับใจไม่รู้ลืมทั้งหมดนี้จะทําให้ท่านล่องลอยไปไกลสานไกลไปสู่ดินแดนที่ท่านเองก็ไม่สามารถจะนึกออกหรือกล่าวได้ว่าอยู่ณที่ใด แต่ท่านก็จะรู้ได้ด้วยความสำนึกอันทองแท้ไม่ผิดพลาดว่านี่แหละคือบ้านเดิมของเราที่นี่เองคือที่ที่เราได้จากมานานแสนานานที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในสถานที่หรือสภาวะเช่นนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยมีผู้อื่นอีกมากมายอยู่ใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเราหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเราอย่งแยกไม่ออก คนเหล่านี้ไม่มีชื่อแล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขามีรูปร่างเป็นอย่างไรแต่เราก็รู้ได้ว่าเขามีอยู่เป็นอยู่แล้วเราก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกันกันกบเขาอย่างแยกไม่ออกในสภาวะความรู้อันเป็นหนึ่งเขาเหล่านี้มีสภาพเหมือนกันกันกบเราเขาอยู่ข้างๆเราเขาเป็นตัวเราเขาเป็นสภาวะดั้งเดิมหรือว่าเป็นบ้านเดิมของเรานั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเป็นความอ่อนโยนนิ่มนวลนคล้ายๆกับมีกระแสไฟฟ้ายัางอ่อนเป็นสะพานต่อเชื่อมทำให้ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสภาวะทั้งหมดเพราะเราต่างก็รู้ว่าส่วนย่อยๆของเราแต่ละส่วนนั้นยังไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองนอกเสียจากว่าจะได้สัมพันธ์และต่อเนื่องเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าในสภาวะเช่นนี้อารมณ์ที่ลึกซึ้งและท่วมทับเออบอาบอยู่ภายในใจของเรานั้นไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาทางกายและวาจาก็ได้เพราะมันเป็นสภาพที่เปิดเผยอยู่ในตัวเองแล้วโดยไม่ต้องอาศัยความพยายามใดๆเลยการส่งและรับอารมณ์เป็นไปตามปกติหรืออัตโนมัติของใจโดยไม่ต้องอาศัยกายวาจาเป็นเครื่องมือแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมชาติของสภาวะเช่นนี้ถึงการรับรู้อารมณ์มีใจเป็นสื่อเพียงอย่างเดียวไม่ต้องอาศัยกายวาจาอีกต่อไปนอกจากนั้นในสภาวะเช่นนี้ไม่มีความรู้สึกถึงความแตกต่างในเรื่องเพศอีกต่อไปตัวเราเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนั้นเป็นทั้งเพศหญิงและชายมีทั้งพลังบวกและลบมีทั้งสภาวะของโปรโตอนและอิเล็กตรอน ความรักระหว่างชายและหญิงไหลเวียนอยู่เสมอทั้งออกจากตัวเราและเข้ามาสู่ตัวเรามีทั้งความสัมพันธ์แบบพ่อแม่และลูกๆซึ่งเป็นความสัมพันธ์ชั้นอุดมคติและอุดมการันสมบูรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้รวมตัวกันเป็นกระแสไหลเวียนแนบเนืองสนิทอยู่รอบๆตัวเราในตัวเราและผ่านตัวเราไปตลอดเวลานี่แหละคือที่อยู่ดั้งเดิมบ้านเก่าของเราทุกคน ความมโหฬารภัยสารของสภาวะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีเพียงไรย่อมไม่มีผู้ใดาสามารถจะคาดคะเนได้แต่เราจะรับรู้ด้วยตนเองถึงความมีอยู่ของพระบิดาซึ่งเป็นบิดาของเราอย่างแท้จริงเป็นผู้สร้างสารรค์สิ่งทั้งปวงขึ้นมาดังที่เราเห็นอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันแม้ตัวเราก็เป็นสิ่งหนึ่งในจํานวนสิ่งทั้งหลายนับไม่ถ้วนที่พระบิดาได้ทรงสร้างขึ้นมาจริงอยู่การสร้างขึ้นมาทําอย่างไร หรือว่าจะต้องสร้างขึ้นมาทำไมเรายอมไม่สามารถทราบได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญในสภาวะดังกล่าวนี้เรามีความสุขเหลือล้นแล้วเราเราได้กลับมาอยู่หน้าที่ที่เป็นสถานที่ของเราโดยตรงอย่างแท้จริงหมายเหตุผู้อ่านในเรื่องของพระบิดาผู้สร้างโลกและเรื่องของพระเจ้านั้น แม้ต่อให้เป็นเทวดาถ้ามีความเชื่อตอนเป็นมนุษย์อย่างไรเมื่อตายไปก็จะยังคงเชื่อแบบนั้นขอให้เข้าใจนะครับว่าบางเรื่องที่ท่านเล่านั้นเป็นเพียงความเชื่อของท่านเท่านั้นซึ่งในทางพุทธแล้วอาจารย์พรท่านอธิบายไว้นะครับว่าหลายเรื่องที่ศาสนาอื่นเข้าใจนั้นบางครั้งก็ไม่ใช่ผิดไปทั้งหมดแต่บางทีก็เป็นในแนวปุคลาธิฐานคือการสมมติบุคคลโตตนขึ้นมา เพื่อให้จับต้องได้ง่ายแทนกับสภาวะธรรมที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้จึงต้องเชื่อต้องยึดแบบนั้นไปก่อนเปรียบคล้ายเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมีความเชื่อผิดๆนั้นสามารถฟังได้จากเสียงอ่านในชุดโลกทิพย์ซึ่งชมรมบดีจัดทาไว้แล้วนะครับขอย้าอีกครั้งนะครับว่า การฟังเรื่องเล่าของโลกหลังความตายของแต่ละคนนั้นบางอย่างเป็นการเล่าตามความเชื่อและการอธิบายตามภูมิธรรมตามความเข้าใจธรรมของแต่ละคนเท่านั้นคล้ายกับการไปเที่ยวในสถานที่ที่จเจริญมากมีวิทยาการสมัยใหม่ล้ำหน้าไปไกลมากแน่นอนว่าคนต่างอาชีพต่างระดับยกตัวอย่างเช่นชาวนาคนป่าแพทย์นักวิทยาศาสตร์หากคนทั้งหมดนั้น ได้ไปเที่ยวนในที่นั้นพร้อมกันเมื่อกลับมาอย่างถิ่นฐานของตนการเล่าสิ่งที่ได้ไปเห็นมานั้นของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันและอาจจะอธิบายหรือใช้คําเปรียบเทียบสิ่งที่ได้เห็นมานั้นได้แตกต่างกันจนบางทีอาจจะดูเป็นคนแล้วเรื่องกันเลยดังนั้นการฟังเรื่องเล่าในโลกหลังความตายหรือในโลกทิพนั้นจึงควรเข้าใจในจุดนี้ด้วยกลับเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือนะครับ ข้าพเจ้าเคยไปในสถานที่หรือสภาวะเช่นนี้สามครั้งและทุกครั้งก็ต้องกลับมาด้วยความไม่เต็มใจเลยทุกครั้งข้าพเจ้าจะต้องกลับมาด้วยความรู้สึกเศร้าและเสียดายโดยมีใครคนหนึ่งพากลับมาเสมอและเมื่อหลังจะกลับมาแล้วข้าพเจ้าก็ต้องรู้สึกเศร้าสลดด้วยความคิดถึงอย่างรุนแรงทําให้รู้สึกเหงาหงอยมืนซึมอย่างมากมายไปเป็นเวลาหลายวัน ความรู้สึกไม่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์ดังเดิมนี้คล้ายๆกับว่าตนเป็นคนแปลกถิน่นได้หลงพลัดเข้ามาอยู่ในสังคมของคนแปลกหน้าซึ่งดูอะไรๆมันแปลกประหลาดและอยู่ผิดที่ไปเสียหมดในเมื่อเทียบกับความรู้สึกสดชื่นอิ่มเอิบที่ได้รับขณะอยู่ที่บ้านเดิมอันไกลแสนไกลนั้นนี่คือที่เราเรียกกันว่าสวรรค์ใช่ไหมด้วยความอะไรแทบใจจะขาดข้าพเจ้าพยายามหาทางสร้างสภาวะเช่นนั้น เปียนแบบขึ้นในโลกมนุษย์บ้างคิดว่าได้สักแค่ไหนก็เอาข้าพเจ้ายัางจําได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเคยว่ายน้ําเล่นในสระว่ายน้ําซึ่งเขาประดับไฟสีต่างๆอย่างสวยงามไว้ข้างใต้เมื่อมองดูจากข้างบนก็ทําให้มีสีเลือบต่างๆตัดกันสวยงามดีเหมือนกันที่บ้านในชนบทของเราในปัจจุบันก็มีสระว่ายน้ําอยู่เหมือนกันดังนั้นข้าพเจ้าจึงลงมือหาไฟสีต่างๆ เมื่อประดับไว้ข้างใต้บ้างคิดว่าจะต้องพยายามทำให้เหมือนรังสีที่เห็นฉายผ่านปุ๋ยเมฆในสภาวะบ้านเก่านั้นให้จงได้แต่เสร็จแล้วผลที่ได้รับก็ไม่เป็นที่พอใจหรือใกล้เคียงเพราะความสดใสของสีแสงต่างๆในโลกนี้มันช่างไกลกันกับในที่นั้นอย่างเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวในด้านเสียงดนตรีข้าพเจ้าเอาลำโพงไปติดตั้งไว้ใต้สา โดยปล่อยเสียงออกมาจากเครื่องภายในบ้านด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้าสามารถจะนอนลอยอยู่บนผิวน้ำพร้อมกับฟังดนตรีและเห็นแสงสีไปด้วยซึ่งดูดูก็น่าเป็นสุขดีแต่เสร็จแล้วผลที่ได้รับก็ห่างไกลกันมากเช่นเคยมันมีคุณภาพช่างไม่ใกล้เคียงกันเสเลย เหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าสภาพสวรรค์ที่ท่านเล่าในตอนนี้นั้นมีสภาพคล้ายกับความสุขในสมาธิเมื่อจิตสงบหรือได้ฌานซึ่งตามปกติแล้วสวรรค์นั้นแบ่งเป็นสามชั้นใหญ่ๆคือเทวภูมิหชั้นที่ยังติดข้องด้วยกามาคุณและเหนือขึ้นไปนั้นคือรู ป, ปรภูมิเป็นชั้นพรห ม, มีรูป ซึ่งผู้ที่จะไปอยู่ในชั้นนี้ได้ต้องเป็นผู้ได้ชาญมาก่อนและระดับสูงสุดคือในชั้นอรูปภูมิเป็นชั้นพรมไม่มีรูปเหลือแต่จิตในทางศาสนาอื่นนั้นจะสามารถเข้าถึงได้สูงสุดแค่ชั้นอรู ป, ปรพรมแต่ในทางพุทธนั้นจะเข้าได้สูงกว่านั้นคือการสิ้นพบสิ้นภูมิเป็นการเข้าถึงความจริงอันสูงสุดคือนิพพานซึ่งภูที่ไม่เคยศึกษาหรือปฏิบัติจนรู้แจ้งในเรื่องไตรลักษณ์ จะไม่มีทางเข้าใจหรือเข้าถึงสภาวะนิพพานแบบนี้ได้เลยนะครับ